เทวมนุษย์ส ป, ปูชิตะแปลว่าผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาแล้วเนี่ยนะบูชายังไงบ้างบูชาด้วยอามิตรและการปฏิบัติอันเทวดาและมนุษย์บูชาด้วยอามิตรทั้งหลายเช่นดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟหรือปัจจัย4ก็แล้วแต่ว่าบูชาแบบแบบอะไรแบบพระวินัยก็คือบูชาด้วยจีวร อ, อาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ถ้าบูชาตามแนวพระสูตรก็ด้วยข้าวด้วยน้ำผ้าดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟยานภาณะเป็นต้นถ้าบูชาแบบพระพิธามก็ปลารอบสีเสียงกลิ่นรสผลิภัและธรรมรมแต่เป็นการบูชาแบบชนิดที่เราไม่ใช่แบบไปโยนให้เป็นต้นไม่ใช่แบบนั้นทําด้วยความเคารพทําด้วยความยำเกรงมีคําถามว่าถามว่าเพราะเหตุไรจึงยกตัวอย่างมาเฉพาะเทวดาและมนุษย์เท่านั้นบูชาพระพุทธเจ้า คนอื่นเขาก็บูชาไม่ใช่หรือเช่นสัตว์เดรัจฉานก็บูชาดูสิเช่นช้างอาระวัละกาล ะ, ป า, ละาปาระธนะปาละปาลิเลยะกะเป็นต้นก็มีช้างเหล่านั้นก็บูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือหรือบางทีพวกวินิบาตเช่นยักษ์สาตาคิรยิยะอลาวะกยะเหมวะตยะสูจิโลมะคระโลมะเป็นต้นยักษ์เหล่านี้วินิปาติกะเหล่านี้ก็บูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือต่อว่าก็จริงอยู่ จริง น, นะนะศัตว์เดรัจฉานเป็นต้นกับบูชาอยู่แต่พูดโดยยกสูงสุดหรือกำหนดเฉพาะเน้นพิเศษคือพวกพอจะบรรลุได้อันโดยมากผู้ที่บรรลุได้ก็คือมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะถ้าองค์นั้นมหานุภาโวผู้ประกอบด้วยพุทธานุภาพที่ ยิ่งใหญ่นะผู้ฐานุภาพเช่นอนุภาพของศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นของพระองค์เนี่ยเป็นอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากสามารถที่จะเกื้อกูลโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้พ้นจากทุกได้บทว่าสตตะปุญญลักธโนสตตะตัวนี้แปลว่าร้อยนสตังนะก็สะตะสะตังตัวนั้นก็ร้อยปุญญาก็คือบุญลักธโนก็คือลักษณะผู้ประกอบด้วยบุญญลักษณะนับร้อยเนี่ยนะ อธิบายว่าสัตว์ทั้งหมดในอนันตจั ก, กรวาลพึงทําบุญกรรมอย่างหนึ่งหนึ่งตั้งร้อยครั้งพระโพธิสัตว์ลําพังพระองค์เองก็ทํากรรมที่ชนทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นทําแล้วเป็นร้อยเท่าจึงบังเกิดฉะนั้นจึงชื่อว่าสัตตปุญญาลัคนโนผู้มีบุญญลักษณะนับร้อยสมมติว่าใครที่บอกว่าทำํำอุยทําจริงๆเลยนะทําเป็น100ร้อยร้อยทะาร้อยอยอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าทําทมากกว่านั้นเป็นร้อยเท่าร้อยเท่ากว่าคนที่ทํามากแล้วนะ ทำมากขนาดนั้นเลยอะอย่างคนอื่นเขาจะบอกสมมติว่าทำบุญร้อเหนึ่งไอ้คนนี้ทําบุญอะร้อยคูนร้อยเท่าอะเท่าไรร้อยคูนรอก็เท่าไอ้คนนี้ทำร้อยไอ้คนนี้ทำหมื่นก็คือมากกว่านั้นนะนะอย่างคนเนี้ยเขาถวายสมมติว่าถวายข้าวร้อยร้ยหม้อไอ้คนนี้ถวายหมื่นหมอ้อทุกอย่างเนี้ยทำเกินกว่าคนอื่นร้อยหมดเลยก็เรียกว่าเลยสะตะปุญญลักโญเนี่ยนะผู้มีบุญยลักษณะนับร้อยคือสมมติว่าคนเนี้ยเอางามที่สุดแล้วในบรรดาพระองค์งามกว่านั้นร้อยเท่าอะ ก็คืออะไรที่มันคูณด้วยร้อยหมดก็เลยเรียกว่าสะตตปุญญลัคนโนว่างั้นนะผู้มีบุญยลักษณะนับร้อยเนี่ยนะแต่บางท่านก็อธิบายว่าทรงมีลักษณะอย่างหนึ่งที่บังเกิดเพราะบุญกรรมนับร้อยๆบางท่านก็บอกว่าโอ้ยหนึ่งที่นะบุญเป็นร้อยๆนะมาสรรสร้างอัตกถาบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นจริงใครก็เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่นี้หมายคือว่าใครที่ว่าทําเยอะๆแล้วพระองค์ทาเยอะกว่าคนอื่นเป็นร้อยเนี่ยนะ ก็เลยเรียกว่าสะัตะปุญญละลักษณะพันคนอื่นจึงทําตามไม่ได้ น, นะนะบทว่าทัศเสสิทรงแสดงย ม, มะกะปารติหารที่ทําความประหลาดใจอย่างยิ่งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประหลาดใจประหลาดตัวนี้หมายถึงอัศจรรย์ใจมากไม่ใช่ว่าประหลาดใจเอ๊ะตกใจอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบทั่ ว, วไปนะแต่หมายความว่ามีความอัศจรรย์ใจจริงๆครั้งนั้นพระาศาสดาครั้นทรงแสดง หรือทรงรำยมกาปาติหารในอากาศแล้วก็ทรงตรวจดูอาจาระจิตของมหาชนตรวจดูวาระจิต16อย่างนะนะเช่นจิตมีราคะจิตปราศจากราคาจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่น lim ยิ่งกว่าจิตเป็นมหคัตจิตไม่เป็นมหคัตจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นในบรรดาจิต16ประเภทที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะ พระองค์ก็ตรวจดูแล้วก็ไม่ใช่ตรวจกับคนเดียวก็ตรวจดูกับทุกสัตว์เนี่ยนะทั้งเทวดาและมนุษย์พรหมที่มาประชุมกันในหมื่นจักราวาลนะไม่ใช่ว่าตรวจดูแค่คนสองคนเท่านั้นตรวจดูเทวดาพรหมเป็นต้นทั่วหมื่นจักรวาลที่มาประชุมณที่นั้นทั้งหมดพระองค์ก็มีพุทธประสงค์จัดจงกรมพลางแล้วก็ตรัดรรมกถาะรางเรียกว่าเดินเทศนะนะเดินแสดงธรรมเดินประกาศอริยสัจธรรมที่เกื้อกูลแก่อัธยาศัยของ สัตว์เหล่านั้นพระองค์ก็เลยเนรมิต ร, รัตนะจงกรมที่สําเร็จด้วยรัตนะ์กว้างเท่าหมื่นจักรวาลในอากาศเพราะฉะนั้นพระสังคีติกาจารย์มีพระอนุนเป็นต้นกล่าวว่าพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นผู้มีพระจักษุสูงสุดในนรชนผู้นําโลกอันเทวดาผู้ประเสริฐทูลอ้อนวอนแล้วทรงพิจารณาถึงประโยชน์แล้วในครั้งนั้นจึงทรงเนรมิตที่จงกรมอันสร้างด้วยรัตนะทั้งหมดสําเร็จด้วยดี ปาฏิหารแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับพระองค์แสดงที่ควงคันดามาเพลิอ น, นะที่ไหนเมืองสาวัตถีเนี่ยนะแสดงคล้ายๆกันคือแสดงแต่ว่ายมกกะปาฏิหารแบบแสดงไท่อไฟสายนั้นจริงแสดงอยู่สี่ที่แต่เนรมิตรรัตนะจงกรมแล้วแสดงทำแสดงแบบนี้มีเน้นพิเศษคือสองที่คือที่เมืองกบิลพัฒน์กับที่เมืองสาวัตถี แต่ว่าที่ที่เมืองกบิลพัฒน์เนี่ยแสดงแบบแค่ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าพระองค์ก็เลยแสดงไปแต่ถ้าเมืองสาวัตถีเนี่ยนะพระองค์ประกาศไว้ก่อนตั้งหลายเดือนเพราะฉะนั้นจึงมีคนมาประชมมากกว่าอ่ามากกว่าที่ที่เมืองกบิลพัฒน์เนี่ยนะเพราะประชมุมชนเนี่ยมาเป็นเกือบจะถึงร้อโยชนะนะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาเลเนยมาประชมุมกันคําว่าพระศาสดา พระองค์นั้นผู้มีพระจักสุจักสุนี่คำว่าตานะผู้มีตาเราก็มีตาไม่ใช่หรอแต่ว่าฉลาดกับตาสับ ป, ประรดมายอย่างเงนะ้นไม่ใช่แบบนั้นตานี้หมายถึงว่าตาสองอย่างคือญาณจักสุกับมังสะจักสุเนี่ยนะยาณจักสุกับมังสะจักสุเขาเรียกว่าตาเนื้อกับตาปัญญาว่างี้ยตาปัญญามีห้าอย่างตาปัญญาห้าอย่างมีอะไรบ้างพุทธจักสุธรรมจักสุสมันตะจักสุทิพตะจักสุและปัญญาจักสุ เนี่ยพระองค์มีตาห้าเน้นพิเศษคือตาปัญญาหาประการอันแรกคืออะไรยามที่อย่างรู้อาสยะอนุสยะและยามที่อย่างรู้ความยิ่งความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายที่มาในพระบาลีเช่นในพระไตรปิฎกหลา ย, ลายๆแห่งที่ว่าพระองค์ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุอันนี้ชื่อว่าพุทธจักสุหมายถึงอะไรหมายถึงอาัศจารรย์นัยมสองข้อคือ อาสันุสยญาณกับอินทรยปโรปรยัตญาณก็คือตรวจรู้อย่างรู้อาสัญะอนุสยะว่าอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงเป็นการมัธยาสัยหรือเนคขมัตยาศัยหรือว่าโลพัตยาสัยหรืออะโลภัตยาศัยทีน่มิทธะหรืออโลกสัญญามีอัตยาศัยอะโลภาอะโทสะหรืออะโมหะก็ดูว่าสัพพสัตว์ทั้งหลายนี่มีอัตยาศัยเช่นไรแล้วสัตว์เหล่านั้นที่มีอัตยาศัยอย่างนั้นแล้วเนี่ย อินทรีย์นี้เป็นยังไงศรัท ธ, ธาเป็นยังไงวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอย่างไรมีผู้ใดพอจะตรัสรู้ได้ไหมเป็นต้นเนี่ยนะก็ตรวจ ด, ดูเรียบร้อยหมดนี้เรียกว่าพุทธจักสุพระองค์ใช้พุทธจักสุโดยมากวันละสองครั้งเลยนะโดยมากสองครั้งคือเช้ามืดกับตอนบ่ายบายเนี่ยวันละสองครั้งใหญ่ๆนะเวลาอื่น ก, ก็ใช้ยานอย่างอื่นแทนสัส่วนใหญ่ ส่วนธรรมจักสูตรก็คือมรสามผลสามเบื้องต่ําคือโสดาปฏิมรสกธาคามีมรอนาคามีมรโสดาปฏิผลสกธาคารมีผลอนาคามีผลที่มาในพระไตรปิฎกบ่อยๆเช่นธรรมจักสูตรที่ปราศจากกิเลสทุลีมนทินเกิดขึ้นแก่ท่านพระัญยาโกณธัญะใช่ไหมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆบางสูตรหมายถึง หมายถึงอะไรหมายถึงโสดาปฏิมาคบางสูตรหมายถึงอนาคามีมักบางสูตรหมายถึงสกธาคามีมักบางแห่งหมายถึงทั้งโสดาปฏิมาคสกธาคามีมักและอนาคามีมักพร้อมกั น, อ, กนอย่างเช่นโปรดพัทธวัคคีพวกสามสิบอะนะพวกนั้นเนี่ยธรรมะจกักษุเกิดขึ้นแก่ท่านพัทธวัคคีนั้นหมายถึงโสดาปฏิมาคถึงอนาคามีมักอันนี้หมายถึงธรรมะจกักษุนะ ส่วนพระสัพพัญยุตยานที่มาในพระบาลีว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีผู้มีจักสุรอบคอบโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทที่สําเร็จด้วยธรรมมีอุปมาฉันนั้นเถิดข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีจักสุดโดยรอบอันนี้เป็นคําของใครท้าวมหาพรหมไงที่มาราธนาวันนั้นน่ะ พรหมเขาราธนาว่าข้าแต่พระผู้มีปัญญาดีผู้มีพระจักสูดโดยรอบโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทที่สําเร็จด้วยธรรมคือปัญญาตรวจ ด, ดูพิจารณาสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกเนี่ยนะผู้กําลังอาเกียนกําลังโศกอยู่ช่วยสอนเขาหน่อยเถอดว่า ง, งั้นพระองค์เนี่ยสามารถขึ้นตรวจ ด, ดูสรพรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพุทธะขะไรสมันตะจักสูคําว่าสมันตะจักสูเนี่ยรอบรู้ทั้งสังกตตอสังกตตารอบรู้ทั้งอดีตอนาคต ปัจจุบันทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลือที่จริงสมันต่จักสูปก็คือมหากิริยามหากิริยาญาณสัมปยุทธ์นั่นเองส่วนที่จักสูปก็คือญาณที่ประกอบด้วยอภิน ญ, ญาจิต ท, ที่เกิดขึ้นโดยการเจริญอโลกสัญญาหรืออโลกสินสมาบัติเช่นด้วยที่จักสูอันบริสุทธิ์เนี่ยนะทรงตรวจทรงเห็นหมูสัตว์ที่จุติอุบัติด้วยที่จักสูอันบริสุทธิ์ล่วงจักสู ข, ของมนุษย์อันนี้หมายถึง ที่พระจักสุเนี่ยนะเห็นที่เราว่าเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยนะส่วนปัญญาจักสุก็คือญาณที่มาแล้วว่าปัญญาจักสุมีปุปเพนิวาสานุสติญาณเป็นต้นเช่นจักสุเ ก, เกิดขึ้นแล้วยาเกิดขึ้นแล้วจักขุ้งอุทาปาริญาณังอุทาปาริปัญญาอุทาปาริอโลกะอุทาปาริญาณอุทาปาริเนี่ยนะวิชาอุทาปาริเนี่ย พวกคำเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาจักสุปัญญาที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะปัญญาที่เห็นวันนี้ทุกนี้ทุกคกวรกําหนดรู้ทุกได้กําหนดรู้เสร็จแล้วนี้สมุทัยสมุทัยควรละสมุทัยละเสร็จแล้วอันนี้เป็นปัญญาจักสุเนี่ยนะจากขุ้งอุทะปาทีเนี่ยนะก็คือจักสุได้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมจักสุ ป, ปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกเนี่ยนะเป็นต้นนั่นเอง พระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยตา5อย่างเนี่ยนะทั้งพุทธจักสุธรรมจากสุสมันตะจากสุทิพตะจักสุและปัญญาจากสุส่วนสัสมภาระจากสุเนี่ยนะสัสมภาระจากสุหรือมังสะจากสุตาเนื้อเนี่ยนะมังสะจากสุที่อาศัยประสาทที่มาในบาลีว่าอาศัยจักขู่และรูปเกิดจากขูวิญญาณนะอาศัยจักขู่กับรูปอันนี้ก็หมายความว่าตาคนละคู่คนละคู่ที่นั่งกันนะ ก็คตาเนี่ยตาไหนก็เนี่ยหลับตาลืมตานี่แหละนี่ตานี่แหละเรียกว่ามังสะจกสักษุตาเนือ้อมังสะจักษุมีสองอย่างะนะแบ่งแล้วสองประเภทคือสะสัมภาระจักษุกับปัสาทจจกสุสะสัมภาระจักสุเนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงลู ก, กตาทั้งลูกเลยอะเรียกว่าสะสัมภาระจกักษุส่วนปัสาทจจกสุหมายถึงอะไรหมายถึงความใสที่สามารถรับภาพได้บางคนนี่มีแต่สะสัมภาระจกักษุไม่มี ภาษาท่าจักสุก็มีเนี่ยนะแต่คนที่จะมีภาษาท่าจักสุกมต้องมีสัตสัมภาระแต่คนที่มีลู ก, กตาไม่ได้แปลว่าเห็นเสมอไปนะเรียกว่า บ, บอดตาใสว่างนั้นคนนี้ก็เรียกา บ, บอดบอดตาใสาเพราะไม่มีจักขู่ภาษาท่าเนี่ยนะส่วนอธิบายเชิองอภิธรรมก็อ่านเอากันละกันจักสุเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะตาทั้งหมดนะทั้งตาเนื้อตาตาปัญญาสองอย่างเนะี่ยถ้าจะเรียกเป็นนับหนึ่งก็ได้นะนับอย่างเดียวก็ได้คืออะไรอณิจังสังขตัง ทุกอย่างไม่เที่ยงหมดจะตาเนื้อตาปัญญาเคยเห็นมันเที่ยงมั้งไหมไม่เที่ยงหรอแล้วก็ทุกอย่างถูกประจจยปรุงแต่งเหมือนกันตาปัญญาเนี่ยเช่นสัพพัญญุตญาณพระพุทธเจ้านี่ใช้เวลาแต่งขนาดไหนเสียสงไขแสนกลับกว่าจะแต่งตาปัญญาได้ขนาดนี้อะแล้วตาเนื้อ ก็แต่งว่าเขาทำบุญทากุศลตั้งมากมายใช่ั้ยเช่นดวงตาที่ดูน่ารักเพราะไม่ทะลึงตามองคนอื่นด้วยความกโกรธเป็นต้นเนี่ยนะกว่าจะเจริญกุศลจิตมาตั้งมากมายกว่าจะได้ดวงตาคู่งามๆคู่นี้มาว่างั้นตาทั้งสองนั้นจะแบ่งเป็นสองอย่างก็ได้คือตาบางอย่างเป็นอารมณ์ของอาสวะเช่นตาที่ที่เป็นตาอะไรนะที่เป็นโลกิยเนี่ยนะเช่นโลกิยะปัญญากับ ส, สัสมภาระจักษุเนี่ยเป็นอารมณ์ของอาสวะ ส่วนตาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะตาที่เป็นโลกุตระอันนี้ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเช่นว่าธรรมจักสุเนี่ยนะธรรมจักสุกับปัญญาจักสุที่เห็นอริยสัจเนี่ยตาปัญญาอันนี้ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะตาทั้งสองอย่างเนี่ยนะทั้งตาเนื้อตาปัญญาก็ตามถ้าจะแบ่งไปแล้วนับอีกในหนึ่งก็คือเป็นระดับโลกิยะกับระดับโลกุตระแบ่งเป็นสามอย่างก็ได้คือโดยภูมิ นโดยภูมิเช่นกามาวจรบางอย่างเป็นกามาวจรบางอย่างเป็นรูปาวจรบางอย่างเป็นโลกุตระบางอย่างเป็นกามาวจรบางอย่างเป็นรูปาวจรบางอย่างเป็นโลกุตระบางอย่างเป็นผลของอุปาทินกะเช่นก็คือตาตาเนื้อเนี่ยเป็นผลของกรรมบางอย่างก็เป็นอนุปาทินกะก็คือไม่ได้เกิดจากผลของกรรมแต่ก็เป็นอารมณ์ของกิเลสได้บางอย่างเป็นอนุปาทินนุปาทิกะก็แปลว่า ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเลยไม่ประกอบกับกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็เพราะว่าอย่างเช่นอุปาทินติกะก็คือผลของกรรมเรียกว่าอุปาทิ น, นกะส่วนอนุปาทินกะไม่ได้เกิดจากผลของกรรมแต่ก็ยังเป็นอารมณ์ของกิเลสส่วนอนุปาทนนะินานุปาทิ น, นะเนี่ยก็หมายถึงโลกรุตระนั่นเองแบ่งเป็นสอย่างก็ได้คือเอกันตารมณะเช่นว่าตาเนื้อเนี่ยนะมันเห็นได้แค่สีเท่านั้นแหละเรียกว่าเอกันตารมณะอารมณ์เดียว บางอย่างเป็นปริตารม์ น, นะเช่นรับรู้แค่อารมณ์ระดับล่างๆอารมณ์เล็กน้อยบางอย่างเป็นอปมานารม์ น, นะเป็นอารมณ์ที่หาประมาณไม่ได้บางพวกเป็นอนิยตารมคือมีบัญญัติเป็นอารมณ์เป็นต้นนั่นเองหรือสิ่งเหล่านี้จะนับเป็นห้าอย่างก็ได้เช่นตาเนื้อมีรูปเป็นอารมณ์ธรรมจักสุมีนิพพานเป็นอารมณ์บางอย่างก็มีอะรูปเป็นอารมณ์บางอย่างรู้อารมณ์ได้ทุกชนิด บางอย่างอนารมณะรู้อารมณ์ไม่ได้เช่นตาเนื้อเนี่ยรู้อารมณ์ได้ไหมไม่ได้อนารมณะไม่รับรู้อะไรสักอย่างมีเป็นหกอย่างก็เช่นแบ่งเป็นอะไรพุทธจักสุเป็นต้นอย่างที่กล่าวแล้วนะพุทธจักสุเป็นต้นสรุปว่าตาทุกชนิดมีอยู่แก่พระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเรียกว่าพระผู้มีจักขุจักขุมาผู้มีตาอะงรเงน่ะ ผู้มีตาของเราทั้งหลายก็มีเหมือนกันแต่ว่าจะเรียกเขามีว่ามีก็ไม่ได้นะอายเขามีเหมือนกันแต่ว่ามนาาะนะันบ้างอย่างนะดูได้เป็นบางอย่างพอไปหยิบของบางอย่างแล้วก็ถูกด่าทุกทีเป็นต้นใช่ไหมเพรหยิบผิดนะยังไงเป็นต้นแสดงว่าตาไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ทวนว่าพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุอัทถังสเมคคิตตวา ทรงนิรมิต ท, ที่จงกรมอธิบายว่าทรงนิรมิตใคร่ครวญถึงประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันเป็นนิมิตแห่งการทรงสแสดงธรรมก็คือหมายความว่าจะต้องสร้างสถานที่อย่างไรอ่ะจึงจัดสมควรที่จ ะ, สะแสดงธรรมให้เขาบรรลุมรรคผลได้เพราะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยนะจะต้องอาศัยทั้งสถานที่ทั้งอุตุทั้งอาหารทั้งบุคคลสังคมสิ่งแวดล้อมที่เลยว่าต้องจัดองค์ประกอบให้เขาเขาจึงบรรลุได้ ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันหนะ้าที่จะสงเคราะห์สัตว์อื่นไม่ใช่ว่าเออเนี่ยอริยสัตว์มันเป็นอย่างนี้เราไปเที่ยวพูดทั่วไปหมดแล้วเขาจะได้ดิบได้ดีไม่ใช่เลยถ้อยคาบางอย่างพูดผิดกาลเนี่ยโมราคาเลยนะบทว่าโลกนายโกโลกนายกเนี่ยนะเรียกว่านายกของสัตว์โลกพระองค์ชื่อว่านายกก็คือผู้นํำนะผู้นําโลกเพราะพระองค์แนะนําสัตว์โลกแนะนําด้วยอะไรแนะนําด้วยสมถาวิปัสนา เป็นต้นหรือแนะนําด้วยสังวรวินัยกับปะหานวินยัยแนะนําเพื่ออะไรเพื่อมุ่งตรงต่อสวรรค์และนิพพานนั่นแหละนะแนะนำเขาให้นําเข้าไปสู่สวรรค์นําเขาไปสู่พระนิพพานเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติเช่นมนุษย์สมบัติก็คือกุศลกรรมบทสบิสวรรค์สมบัติก็คือฮิริโอตตปะพรหมโลกพรหมโลกก็คือด้วยพรห ม, มิหารเป็นต้นถ้านิพพานสมบัติก็แนะนําให้เขาเจริญอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 พระองค์เนี่ยเป็นผู้นําในการปฏิบัติอย่างนี้ด้วยพระองค์ก็เลยชื่อว่าโลกกนายกผู้นําโลกพระองค์นี้สําเร็จรงจงกรมที่สําเร็จด้วยรัตนสิบอย่างบัดนี้เพื่อแสดงความถึงพร้อมด้วยปาฏิหาริย์สามอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรมสังคีติกาจารก็กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำโลกทรงเชี่ยวชาญในปาฏิหารสามอย่างคือเชี่ยวชาญในอิทธิปาฏิหารอาเทศนาปาฏิหารและอนุสาสนีปาฏิหารจึงในระมิด ท, ที่จงกรมอันสร้างสรรค์ด้วยรัตนทั้งหมดสำเร็จลงด้วยดีปาฏิหารสามมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งอิธิปาฏิหาร อันนะั้อิธิปาติหานก็อย่างที่กล่าวไปแล้วใช่เช่นคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวอันนะั้หรือวิกุปนาริ์อธิฐานนาริธนะพวกนี้ก็เป็นกลุ่มอิทธิปาติหานอย่างที่สองอาเทศนาปาติหานการรู้วาระจิตของผู้อื่นแล้วแสดงธรรมดักจิตแล้วค่อยพูดเนี่ยนะดักก่อนแล้วค่อยพูดดักก่อนแล้วค่อยพูดอย่างนี้เรียกว่าอาเทศนาปาติหาน อ, อาเทศนาปาติหานนั้นเป็นการแสดงธรรมเป็นประจำของพระสาวกทั้งหลายและของพระพุทธเจ้าคือต้องดักก่อนนะ คือคือต้องกําหนดว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วสอนไปตามคุณภาพของความคิดเรียกว่าดักจิตแล้วค่อยสอนว่าเธอจงอยากคิดอย่างนี้จงคิดอย่างนี้จงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้แปลว่าดักเรียบร้อยแล้วค่อยๆบอกไปเรียกว่าอาเทศนาปาทิหารส่วนอย่างที่สามอนุสาสนีปาทิหารก็คืออะไรโอวาตอันเกื้อกูลแกอัธยาศัยแก่มหาชนนั้นๆ อนุสาสนีปติหารเราใช้คําว่าทรงสั่งสอนบางทีก็แปลว่าพร่ำสอนไอ้คําว่าพร่ำพูดครั้งเดียวไหมไม่เหมือนแม่สอนลูกเนี่ยพูดครั้งเดียวพอเลยมันรู้เรื่องเลยใช่ไหมสอนเด็กน้อยเนี่ยนะบอกครั้งเดียวบอกก็บอกแล้วบอกฉันบอกเธอแล้วเพิ่งบอกแค่ครั้งเดียวใช่ไหมนี้เขไม่พูดอย่างนั้นหรอกบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกจนคนจําได้หมดนั่นแหละเรียกว่าอนุสาสนีปติหารพูดแล้วพูดอี ก, ก น, นะคนที่จะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องมีอัธยาศัยเกื้อกูลแก่มหาชนแปลว่ามีกรุณามาก คนที่ว่าแล้วว่าอีกเนะแล้วเนะอีกสอนแล้วสอนอีกไม่รู้จักเบื่อจากนายเนี่ยนะพวกนี้อาศัยกรุณาจริงๆไม่เชื่อก็ลองสอนภาษาให้ชาวต่างประเทศที่จําไม่ค่อยแม่นดูถ้าไม่มีกรุณาจริงๆประสบความสําเร็จยากน่ืรังนะเกียจเนอะลังสอนมาสกิให้พูดภาษาไทยหน่อยสิโอ้ยนึกถึงก็งไม่ใช่ถ้าของมาไปเรียนภาษาต่างประเทศมันจะไปต่างอะไรกันเนาะนี อย่างจริงว่างั้นแะต่แล้วถามว่าแล้วเราเรียนธรรมะเนี่ยนะเรียนจากปกติเราปุตุชนมาเรียนธรรมะของพระอริออยะมันจะยากขนาดไหนจะต้องเรียนแล้วเรียนอีกก็ต้องขยันอ่านขยันฟังขยันโอ้ยสรารพัดขยันนั่ น, หนแหละขี้เกียจแล้วจบเลยในสามอย่างท่านบอกว่าอนุสาสนีปาติหารกับอิทธิปาติหารเนี่ยอันนี้เป็นปกติของพระมหาโมคลานะพระโมคลานะจะแสดงฤทธิ์ประกอบ ก, บกับการสอนอย่างพิสดารสอนมากแนะนํามากแต่จะมีการแสดงฤทธิ์ประกอบ ถ้าภาษาบริบทภาษาบริบรอนุสาสนีปาฏิหารกับอาเทศนาปาฏิหารเป็นอาจินการปฏิบัติของพระธรรมเสนาสารีบุตทภาษาบริบุตรจะแสดงอย่างพิสดารแล้วก็ดักใจด้วยดักใจและแสดงพิสดารดักใจและแสดงพิสดารพระโมคขลานะแสดงพิสดารควบกับแสดงฤทธิ์ต่างกันตรงนี้คือคือพระโมคขลานะภาษาบริบทสอนมากเหมือนกันแต่พระโมคขลานะเน้นแสดงฤทธิ์ภาษาริบุตรเ น, น้นแสดงดักใจ เกอรกลุ่มพระที่พระโมคขาลานะสอนเนี่ยเก่งเก่งนักเลงหน่อยต้องพระโมคขาลานะนะเก่งๆกพวกนี้มานะลาพองพยองเต็มที่นี่ภาษาริบุตรก็ฝ่ายบูกระ บ, บุญน่ะนะพวกบูทั้งหลายก็พระโมคขาลานะพวกบุญก็ภาษาริบุตรนั่นแหละนะส่วนพวกอนุสาสนีปาฏิหารอันนี้เป็นการแสดงธรรมเต็มประจำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเน้นการสั่งสอนการโอวาเต็มสูตรเต็มเปี่ยมเลยนะ พราะพระ อ, องค์สรนเสริญอนุสาสนีปาฏิหา ร, ริ์มากที่สุดเนี่ยนะสันเสริญอนุสาสนีก็แปลว่าการตามสอนโดยอัศจรรย์คงไม่ลืมว่าปาฏิหาริ์นี่แปลว่าอะไรแปลว่ากําจัดทิฏฐิมานะแล้วนํามาซึ่งศรัทธาวิริยสติสมาธิและตัญญาการกําจัดบาปและการเพิ่มพูนบุญกุศลต้องใช้ถ้อยคําเปลืองขนาดไหนก็ต้องยอมวางั้นเถอะเพื่อจะได้ลดบาปและเพิ่มบุญ การที่สามารถใช้ถ้อยคําอย่างมากมายเนี่ยเพื่อให้ลดบาปและเพิ่มบุญอันนั้นเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์อันนี้เป็นถือว่าเป็นประจําของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพูดมากสอนมากเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าพระองค์จะถ้าอย่างว่าพระไตรปิฎกถ้าไม่พิมพ์ป้ายานไว้นะโอ้ยของเราเนี่ยอาจจะคูณกว่า น, นี้หลายเท่าเลยแหลนะนั่นแะนะพระองค์นั้นนะ่ะผู้เชี่ยวชาญในปาฏิหาริย์ทั้งสามอย่าง พักาวานั้นเป็นชื่อของพระองค์ผู้ควรแก่คาระวะอย่างหนักควรแก่ก า, ารเคารพอย่างแท้จริงหรือคําว่าพักวาแปลว่าผู้สูงสุดในสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ประเสริฐด้วยพระคุณทั้งหลายอย่างเช่นคําว่าพักวาติวจจานังเศษถังพักวาติวจนะมุตตมังคุระคารวายุตโตโสพักวาเตนะวุจติคําว่าพักวี้เป็นคําที่ประเสริฐสุดคําว่าพักวาเป็นคําสูงสุดเป็นถ้อยคําที่ใช้กับ ผู้ควรแก่คาระวะอย่างหนักผู้ใดมีคุณธรรมเช่นนี้ผู้นั้นเรียกว่าพระควาอย่างพระองค์เนี่ยนะอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหรันต์คำพระควาตัวเนี้ยเป็นคำที่ประเสริฐสุดคำสูงสุดเป็นคำที่เขาเคารพที่สุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีวสีห้าอย่างนะคืออะไรบ้างอาวชนาวสีสมาปัชชะวสีอธิฐานวสีวุฒานวสีปัจเจกขณะวสี วสีเหล่านี้เรียกว่าความชำนาญชำนาญห้าประการชำนาวสีห้าในปาฏิหาริษนะพระองค์เนี่ยมีวสีห้าในปาฏิหาริษเพราะฉะนั้นก็ส่วนจะเป็นอย่างไรก็ไว้วันครั้งต่อๆไปก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดนี้เนี่ยนะปาฏิหาริเหล่านั้นทั้งมวลที่พระองค์แสดงแล้วเพื่อกำจัดบาปอากุศลเพื่อความเพิ่มพูนแห่งบุญและกุศล ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ตั้งใจฟังเนี่ยนะน้อมน้อมบูชาพระรัตนตรยัยด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นปาฏิหาริย์กำจัดบาปอากุศลเพิ่มพูนบุญกุศลบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่มีกําลังให้เราทั้งหลายได้กําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทัยธรรมนิโรธให้แจ้ง เจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ ต, ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วนกันอนุโมทนาวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้